ความดําริของคนผานพระพุทธภาสิตภิกษุผานย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปราถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในทรกูลอื่นภิกษุผานชอบดำริว่าขอให้เครหัข่บรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทําเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียว กิดต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษศาและมาณะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอัฐกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระ่านปราถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลดัตรตรับฟังน้อยไม่สงัด ชอบทุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามนีม่ได้เป็นขีณาศพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูศุดเป็นผู้สงดปรารบความเพียนมีสติมันมม่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาศพพระพนันมีความอยากจัดว่าฉนาหนอภิกษุในมิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเรา ถามปัญหาเราพระพานปราถนาความเป็นใหญ่ในอาวาตจัดเสนาสนะดีๆสําหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นตน้นพระพานไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลแห่งมารดาปิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปราถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้ให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียว อย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพานมีความดําริว่าขอให้เครหัข่บัญทชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสําเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอํานาจใหญ่ต้องการให้บรรทชิตและเครือข่ทั้งปวงอยู่ในอํานาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสําคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความเรศยาและมานะย่อมจเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตันหา ความทยานอยากก็จเจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสนามรรคและผลไม่จเจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคําอธิบายของพระอธธาจารย์อาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพัทธภาสิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระสุธรรมเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชชิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตะคหบดี ชาเมืองมัชกกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาีิสุปัญญวคีแล้วเกิดเลื่อมใสในเอริยาบทของท่านจึงรับบาทนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปฏิผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตกวันให้เป็นสังขาราม จิตตะขะหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชชิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณคาถาพนานาความดีของจิตตะขะหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคระาะห์ขะหบดีนั้นจึงไปสู่มัชชิกาสันขะหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยนให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทําอาคันตุกะวัตรทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยก็หาบดีฟังแล้ววรลุานาคามิผล เผาอารัธนาพระเทระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเทระทั้งสองรับแล้วจึงนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธ ว, ว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยคําของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นขหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตน เวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าขะหะบดีจกักจัดสักการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของขะหะบดีตั้งแต่เช้าตรู่ขะหะบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบินทบาตฉันแล้วตรวจดูสักการะทายธรรมใคร่จะเสียสีถึงชาติตะโกนของขหะบดีจึงกล่าวว่าขหบดีสักการะทยธรรมของท่านนั้นล้นเหลือ ยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาขหาหบดีจิตตะขหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมรญญาและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมกโกรธบอกคืนอาวาสละเหล็กไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตขหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดา กล่าวทูลเรื่องราวทั้งปวงให้สงสา์พระเท้าองค์ตรัสว่าจิตตะขหาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุายเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะขหาบดีแต่ขหาบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเกอ้อเขินกลับมาสู่สนานักของพระศาสดาอีก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 อนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยเทพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความรทธิ์เสว่าวิหารของเราอุบาสกุบาสิกาของเราเมื่อทําดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระาศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะ เราทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตะขหบดีกับทิ่สุอนุธุ t นั้นปรงอาบัตต่อหน้าของจิตตะขหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ฝ่ายกิตตะขาบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวารห้าร้อยอุบาสิกาห้าร้อยและมีภิกษุภิกษุณีเพศละห้าร้อยขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศัสดานเชตวันมหาวิหารพระศัสดาตรัสกับพระอนุ์ว่า เมื่อจิตตะขหบดีมาไหวเราวันนี้จกมีปาฏิหาริเกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อขะหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระสัสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชโยโหรอ้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้น กหบดีอยู่ในสำนักพระาศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตาหบดีเตรียมมาสำหรับเรียงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอา น, นุทูลถามพระาศาสดาว่าจิตตากหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากจะเพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับ การบูชาสการะเช่นนี้เหมือนกันพระศัสดาตรัสตอบ ว, ว่าดูก่อนอาน o น์จิตตะหาบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามจากการสำมาะนะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานน o ์ทูลถามถึงปุพกรรมของจิตตะหาบดีพระศัสดาตรัสเล่า ว, ว่าจิตตะหาบดีนี้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 และหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรู ป, ปอื่นๆอีกก็รับบาดนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ่งและข้าวใส่ตะกา้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสี